สักครู่เราได้สธาธยายบสารเสริญพุทคุณร้อยประการั้นถ้าเราพิจารณาตามไปก็อาจจะสังเกตได้ ว, ว่าพุทธคุณที่ได้สธาธยายไปนั้นเนี่ยแตกต่างจากพุทธคุณที่เราจะเคยได้ยิ น, นยอย่างเช่นในวงการพระเครื่องนกะก็มักจะมีการพูดว่าเนี่ย พระพิมพรุ่นนี้นะมีมีพุทธคุณอย่างนั้นอย่างนี้พระสมเด็จวรักคังพระขุนแผนมีพุทธคุณทำให้อยู่โยงโคงกระพันช่วยให้ใคล้าวคลาดจากอันตรายทำให้มีโชคมีลาบไหลามาเทมาทำให้มีแม่ตามมหานิยมอะไรเงี้ยนะพุทธคุณที่ว่านี่มันเรียกว่าคนละเรื่องนะ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 เรื่องนอกตัวเรานี้มันไม่ใช่เป็นหลักประกันแห่งความสุขหรือว่าทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้เป็นสุขค้าวๆจากความทุกข์มันอยู่ที่ปัจจัยภายในมันอยู่ที่สภาวะธรรมภายในอาภัตคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ คุณภาพจิตหรือสภาวะธรรมภายในซึ่งถ้าจะสรุปย่อๆเนี่ยจากร้อยหนึ่งก็จะสามารถจะย่อได้เลอแค่สองก็คือปัญญาและกรุณาพะพุทธคุณที่เป็นหัวใจแห่งความเป็น แห่งองค์คุณของพระพุทธเจ้านี่ย่อได้เหลือแค่สองนะคือปัญญาและกรุณาปัญญานี้นะหมายถึงนะความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์นะหลักๆ ก, ก็คือความรู้ในอริสัตตสี 4, นั่นเองรู้ว่าทุกข์คืออะไรเกิดจากอะไร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 เพื่อพักผ่อนนะเรียกว่าทิฏฐ ธ, ธรรมสุขขวิหารก็คือเป็นเครื่องอยู่ที่ทำให้เกิดความสุขเช่นการนั่งสมาธิการเข้าฌานแต่ส่วนหนึ่งก็เพื่อประโยชน์กับอนุชนรุ่นหลังนะนะเพื่อเป็นแบบอย่างนั่นเองนะว่าโอ้ลูกศิลูกหาเห็นพู้เจ้ายังเดินจงกรมแม้กระทั่งในยามค่าคืนนะนะก็เป็นกําลังใจให้ สานุสิทนธะิตได้ปฏิบัติด้วยหลายท่านเนี่ยแม่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังปฏิบัติมีข้อวัดเหมือนเดิมอย่างเช่นพระมหากษัสริยก็ยังทุดดงเหมือนเดิมนะทั้งนั้นที่การทุดดงนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนขัดเกลาตนให้อยู่ง่ายอดทนต่อความยากลบาบากหรือเพื่อที่จะได้ฝึกใจให้เอาชนะกิเลสได้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 มีความตนหนีในทรัพ์แต่สาหรับคนที่ยังมีความตนหนีในทรั์อยู่ก็ควรมาเ็นทานเหมือนกันเพราะว่าทานนันจะช่วยทำให้ลดความตนหนีลงทำให้มีความเสียสละมากขึ้นมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมากขึ้นการปฏิบัตินะเพื่อขัดเกลาวตนเองให้เกิดทั้งปัญญาและกรุณาเนี่ยมันก็มีสูตรสำเร็จอยู่แล้วนะเรียกว่าไต่สิกขา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 เต็มโดยเขาเรียกว่าอธิจิตศิกขาคือการศึกษาเพื่อการทําให้จิตเจริญงอกงามอธิแปลว่ายิ่งนะอธิจิตศิกษาเรียกย่อๆว่าสมาธิแล้วก็อธิปัญญาศิกขาทําให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นอันนี้เรียกย่อๆว่าปัญญาศนะีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นการศึกษาเพื่อการฝึกตนนะเพื่อให้เกิดนะพัฒนาการ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 จตกการเปลีกยตัวบางทีก็เข้มข้นนะต้องแบบอุกฤษมากเคยได้ฟังเรื่องราวนะของสา ม, มัในรีค น, นึงนะชื่อเทนซินเ a าโมนะเคยไปพบพบท่านเมื่อทักรรษสามปีที่แล้วที่อินเดียเป็นชาวอังกฤษนะแต่มาบวชในศาสนาพุทธแบบวัชรยานทิเบตอายุ70กว่าแล้วแต่ว่ากระฉับกระเฉงมาก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 อาหารก็มีแต่ของแห้งกินซ้ำไปซ้ำมาทุกวันตลอดสิบสองปีไม่มีเปลี่ยนแต่ก็พูดง่ายๆเพียงแค่ว่าเนี่ยไม่รู้จักเบื่อเลยไม่มีความเบื่อแม้แต่วันเดียวแต่ตอนหลังเนี่ก็พอท่านออกมาสู่โลกภายนอกนะท่านก็ไม่ได้กลับไปปีกวิเวงในถ้าอีกเคยถามท่านว่าเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างนะ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 ซึ่งสุดท้ายคือความรู้สึกตัวก็หายไปนะเราสังเกตพอเราดีใจเนี่ยความรู้สึกตัวนี่มันหายไปเลยจนกว่าเราจะมีสติขึ้นมาอา้าวแล้วความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นนะไ ม, ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในอิเลียบทใดไม่ว่าจะมีภาาัตตาใดมากระทบนะให้ตั้งสติให้ดีหรือเอาสติมาใช้นะเพื่อเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็น สร้างความมั่สุดตัวให้เกิดขึ้นในทุกอิรียบบทในทุกการเคลื่อนไหวหรือถึงแม้ไม่มีการเคลื่อนไหวมีการกระทบทางตาหัวใจมดลิ้นกายหรือกระทบทางใจถือการนึกคิดเอ้าก็ให้มีความสึกตัวมันก็จะทําให้ให้ความโลภความกลัวความหลงหรืออวิชชาเข้ามาครอบงําได้ยากเอาละชานี้ก็เผื่อทนนินะกลับฮะ